มามาพูดกับพระเจ้าพิมพ์พิสารบอกว่าโอ้เมืองไผ่ซาลีของข้าเนี่ยเกิดภัยวิบัติคนตายเป็นบือไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อ่แต่ที่แรกก็คือเป็ น, ป, น, ป, นป่วยไข้อ่เป็นนี่แหละลงท้องพวกอะฮิวาตะโรคเนี่น่ะพวกโรคระบาดพอคนตายเข้าไปนเนี่ะพวกอาบมนุษย์เลยเนี่ยที่พวกเรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีนะข้านัตถาเจ้าโจมลูกหลานนะ ไอ้พวกผีพวกผีปอบผีหาผีอะไรก็ไม่รู้อะพวกแต่ในตำราเราว่าอมนุษย์คือที่พวกเรามองไม่เห็นมันมาซ้ำมาเติมพวกอีกคนป่วยขนาดใดขนาดหนึ่งมันเข้ามาเยียบมาทำร้ายทำรายมากินคนอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้น่ะมันมีเยอะขึ้นมาเลยท่นี่เพรพวกอมนุษย์เขามาซ้ำเติมแต่เร็กคนก็ตายพอเจ็บหัวปวดไข้ต้งตายเอาตายเอาท เ, าเน่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 พระองค์พระเจ้าพิมาสานก็เตรียมทางทนี่ปรับถนนไปไปจนถึงแม่น้ำพอไปถึงแม่น้ำเท่นี้ก่อนทำทางเกียรซ้ายยางที่ประว่าิทำชดออกสุดใจน่ะเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ห้าร้อยที่ไปในคราวนั้นก็โปรยดอกไม้นานาพันนานาชนิด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 คงไม่ใช่แล้วคงจะเหอกันเท่านั้นะคงจะเป็นลักษณะนั้นก็คงจะมีพอประสงค์ปุตุชนเนยใช่นานาจิตต่างนานาทัศนะเลยใช่ไหมแครแ่บความเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีได้ยินได้ยินพระสงฆ์สนทนากันด้วยทิพปปโสตะค่แค่ว่าหูทิพของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เดินลงมาฮะเด็ดลงมา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 ทีเมืองตะกา ศ, ศิลาทีนี้เราเรามีลูกชายที่ว่าสุสนะิมะสุสิมะกุมารเรามีลูกชายนิสัยดีมากนิสัยดีเขาเขารับรักในพ่อ <S <S พ่อก็รักในลูกแต่ทีนี้ลูกชายอยู่ที่เมืองตะกา ศ, ศิลาอยากจะมาเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงพาราณสีมาพอมามาเรียนพาราณสีพ่อก็เลยบอกเออลูกพ่อนี่มีเพื่อนเพื่อนของพ่อมีอยู่คนหนึ่ง เขาเรียนเขามีวิชาอย่างนี้นะให้ลูกไปถามหาเถอะไปหาหมาไปหาไอ้เพื่อนสหายของพ่อน่ยอยู่ที่กรุงพาราณสีน่นน่ะเขามีชื่ออย่างนี้ให้ไปหาเขาเน้อเขามีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังที่เป็นเพื่อนของพ่อไปหาเขไปหาเขาเน้อเพื่อเรียนหนังสือนะอยากจะเรียนอะไรกับเขาก็เรียนกับเพื่อนของพ่อน่ยกัไปเรียนเถอะนะเขาพร้อม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 วิเรียนตัวหนึ่งแล้วยังเรียนตัวหนึ่งเรียนตัวหนึ่งวิชาในโลกมันมันหาที่จุดจบไม่ได้นะลูกนะผู้ที่จะรู้จุดจบของวิ ช, ชานี่คือมีลือสีนะมือมีลือสีอยู่ในป่าให้ลูกไปศึกษาเถะ น, นะถ้าลูกศึกษาเนี่ยลือสีเหล่านี้หละจะรู้จักวิธีจบจุดจบของวิ ช, ชานะเอลอลสีอยู่ในป่าเนี่ยนะเขาจะเขาจะรู้จักจุดจบของวิ ช, ชาวิ ช, ชา ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะรู้มีฤาษีกลุ่มเดียวเท่านั้ น, น, นที่จะรู้ได้แต่เขาอยู่ในป่านี่ยชูชิมะนี่ก็เป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาอยู่แล้ว เ, เนี่ก็เดินเข้าไปหาอที่ไอ้ที่ที่พ่อเนี่ยพ่อเลี้ยงบอกเนี่ยก็เดินเข้าไปหาไปหาเับไปกราบไปกราบฤาษีขึไปการปกาบพระประเจกพุทธเจ้า เ, เนี่ไม่ใช่ฤาษีธรรมดาหยอดฤาษีว่า ง, งนไงเถิดเป็นผู้เป็น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 นี่เมื่อท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านทำกรรมดีได้บูชากระดูกลูกชายของท่านลูกชายของท่านก็เป็นพระประเจ้พระพุทธเจ้าเนี่ยอ น, นสองสจะติดภพติดชาติมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าอั น, นิี้สงก็ยังนา ม, มาถึงนำ ม, มาให้ผลที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติสุดท้ายพระพุทองค์บุญกุศลนะันยังตามมาให้ผลเพราะนั้นสิ่งชั่วก็ดีสิ่ง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 พ่อพูดให้เจ้าบวชให้แท้ๆพ่อบวชให้แล้วกันน่ะจนมีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากเหาะได้ได้พระเทวทัตเนาะเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากนะพ่อได้ได้ฌานโลกีน่ะได้ฌานโลกีจากนั้นก็นไปสมคบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นกุ ม, มารเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสาร น, นะก็ไปยุโยงเนาะเอะพิมไอ้พระเจ้าพิมพิสารก็ยังหนุ่ม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 พอที่สู่กันนี่ยแหละไปสมคบกับพระเทวเพระเจ้าอาซ่าศัตรูขอนายขมังธนูคำว่าขมังเข้ามาไปนางขมังธนูไปยิงพระพุท ธ, ธจเจ้าให้ไปยิงพระพุทธเจ้าด้วยนะชื่นเอานายขมังธนูพระเจ้าอาซาศัตรูนัจัดให้เพราะเป็นลูกพี่ใช่ไหมละ่ะจัดให้จัดจัดให้จัดนายขมังธนูคําว่าขมังไปว่ามือหนึ่งของประเทศแบบนั้นแหะ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 สยามภูรู้แจงโลกชนะทุกอย่างแล้วภาษาอะไรลูกลูกสรใช่ไหมล่ะเออทีนี้องค์ออกมาตามปกติท่านก็รู้แล้วนายขมังธนูเห็นแล้วจะยกลูกสอนขึ้นไปกับปล่อยเลยรแล้วคิดว่าจะปล่อยให้ปักใส่พระพุทธเจ้าเลยนะพอยกลูกสรขึ้นมาท่านั้นก็ปล่อยลูกสรไม่ไปเพระองค์แสงดงฤทธิ์ทีนีน อ, อใครขค้าวจยกลูกสรเข้าไป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 เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบในอนาคตเธอจะทำอย่างนี้เธ อ, เอต้องมีเมตตาพอช้างได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตัวนั้นน่ะหมอบกาบเลยโอ้พระองค์ก็เอามือไปอแตะที่กระปองหัวมันไปกับช้างต่ว น, นั้นก็เลยหันหันหลังกลับหายก็ทั่งเมา่นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าชนะละช้างนาลาคิริอย่างพวกเราสวดพระหุงเมื่อกี้น่ะ นาลาคิาลิงกสวรลังเนี่ยนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าชนะช้างนาลาคิริงนี่แหละอันนี้ก็คือตอนสุดท้ายจ้ะนี่พระเทวทัศน์บอกว่ า, าพระพุทธองค์อายุมากและอายุแก่แล้วตัวเองก็แก م م ่เหมือนกันนะอายุเท่าเกันกับพระพุทธเจ้าแต่มันมองไม่เห็นกิเลส ม, มันมองไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นแต่คนอื่นแก่นะแต่ตัวเองแก่มันมองไม่เห็นพระพุทธองค์อายุมากแล้วแก่แล้ว ควรจะหยุดปกครองสงในแล้วไปเจ้าค่ะค่าพระองค์จะเป็นผู้ปกครองสงแทนก็ได้นะเท ว, วทัศน์ไม่ใช่ธรรมดานะอปากหวานแต่ใจมันอยิ่งกว่าอะไรพระองค์รู้นเนี่ยอพร ะ, ระพระุทธเจ้าทําไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสใช่ไหมอันนั้นก็คือกิเลสทั้งรุ่นเน่ยพระพุทธเจ้าเป็นธรรมนเนี่อท่านได้ตัดจะรู้นะท่านเป็นธรรมทั้งหมอก่อนเท ว, วทัศน์ดูก่อนเท ว, วทัศนะ์ เธอเน่ยจะมาปกครองสงฆ์ได้ยังไงเธอเหมือนกับมีสเสรลดขี้เถอตัวหนึ่งตนเองจะมีคุณธรรมอะไรที่จะมาดูแลพระสงฆ์มาดูแลสงฆ์งได้เธอเราจะพปมมอบให้ขี้เถอได้ยังไงลักษณะอย่างนั้นนะเทวทัตได้ยินคำนี้นะโมโห อ, อ, อ, อย่างแรงเหมือนกันนะไม่รู้จะทำยังไงหัวฟัดหัวเวียงแต่พูดอะไรไม่ได้ ต่อมาเลยกับเอาอีกขาเรื่องอีกพอหาเรื่องคราวนี้พรอพูดแต่เจ้าข่าภาพพิสูจน์องค์ใดอยู่ป่าให้อยู่ป่าพวกพระภิกษุอย่าฉันเนื้อฉันปลาเท่าองค์ฉันเนื้อฉันปลาไม่ได้ขาดเมตตาพระองค์บอกว่าเราไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นองค์ที่อยู่ป่าก็อยู่ป่าได้องค์ที่อยู่อยู่เมืองก็อยู่เมืองได้องค์ที่ฉันเนื้อฉันปลา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 พูดผิดพระสงค์ย อ, อมรับพระโมคขาลากรสาหริบุตรพระโมคคลาเออปะพวกเราจะไปไหมจะกลับวัดเชตะวันไหมกลับครับจะจะกลับรูวยังไงอ่อเดี๋ยวเราจะพากลับพระโมกขาลากับคำเหมนกับบันดาลให้เหมือนกับเครื่องบินนี่ใช่ไหมล่ะให้พระสงค์เหล่านั้นเหาะได้ทุกทุกองคือนั่ง นั่งยาณัฐสนะของพระโมกคลานะพระโมคคลาพาพระสงฆ์ตั้งห้าร้พร้อมกับภาษาลิบุตรกลับมากราบพระพุทธเจา้ามาทางอากาศเลยพังนันนะพอเทวทัตตื่นมัวเมียขึ้นมาทีนีคายฤทธิ์แล้วนี่ก็เห็นว่าพระสงฆ์ทั้งหลายหมดห น, นีออกไปหมดแล้วโกกาลิกโมโหให้อาจารย์นะ่พลูกศิษย์ใกล้ศิษย์กศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเทวทัตเล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 เทวทัตอาเจีนเป็นเลือดพออทุกข์ใจอยู่แล้วพราะในสุดเทวทัตก็เลยป่วยก่อซอกกระแสมาเลยทน่นี้พอป่วยขึ้นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ท่านนี้โอ้เราเนี่ยเกินไปใช่แล้วพอป่วยหนักเข้าไปไม่รอดนะขราวนี่คิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้พาเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเท่านพาส่งนั่นเล ย, เยจะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้ง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 เราจะแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าจะไม่มาเคารพนบน้อมไม่นับถือ อ, อกับพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เ, อเราจะไม่มากราบมาไหว้ไม่มาเห็นพระพุทธเจ้าอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้พระเทวทัตประกาศเองเลยเจยนี้พระองค์บอกว่าตอนนี้เขาหามพระพุทธเจ้าอหามพระเทวทัตมาใส่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 นี่แหละเทวทัตใช้กรรมใช้บาปใช้กรรมพระพุทธองค์บอกว่ากรรมของเทวทัตจะทํำยังไงได้อพอเทวทัตสร้างกรรมเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ให้ใหตัวเองทําเทวทัตสร้างเองเอทํากรรมให้ตนเองที่เราตถาคตให้เทวทัตบวชเราก็รู้ว่าเทวทัตจะเบียดเบียนจะลังแกลเราแต่เราเห็นครั้งสุดท้ายเนี่เทวทัตจะเป็นผู้ยอม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 จะรู้เป็นพระปฏิเจกตพทธเจ้าแล้วยังกรรมยังให้ผลอีกนะเนี่ยนี่แหละกรรมชั่วอย่าทําเสด็ดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสัพปปาปัาปสสากะระนังการไม่ทําความชั่วทั้งปวงหนึ่งกุศลัสูปราสัมปทานการสร้างกุศลให้พร้อมหนึ่ง